ลองทำต่อองดังเรา <c oughs> ใจฟังทำประรเทศนาของพระพุทธเจ้าก่อนแรกจบลงไปพระพุทธเจ้าที่แสดงทำประเทศนากันนี้มีพระสง์เกิดขึ้นแรกคืออัญญากนธรรัญญา หลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรูป้ประมาณหนึ่งเดือนจึงได้มาเทศนากันนี้เปิดพระสงฆ์ขึ้นมาเป็นรัตนที่สอรัตนที่หนึ่งคือพุทธเจ้าและพระรัะตนที่สองคือพระธรรมรัตนที่สองคือพระสงฆ์เป็นพระเลียสงฆ์เป็นพระละหัน อัญญากนทัญญาได้เดือนที่สที่สี่เป็นพุทธบริษัตเกิดขึ้นในที่อิสิปัตนะมลิกะถายวันที่เดียวกันนี้ในที่อัญญาคนรัญญาวัปปะปติยะมหาดามะ ก็เป็นพระหารเกิดขึ้นในช่วงนี้ารูป6รูปขอพระพุทธเจ้าส่วนพุทธบริจัตว่าสุปเชกกาก็มีพ่อแม่ของพระยาสาวุลวงปุติที่มาบวชที่อิจิจัปตนามฤอกทายาวันนั้น ลูกเศรษฐีเปลือนน่อยในโลกที่นีวุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินทางออกจากพราณีมาที่อิสิปตนาเราะอิสิปตนะนี้เป็นที่ปลดปล่อยของสัตว์ ือสีมุนีทั้งหลายศัตวสาราจิงมาอยู่ที่นี่ไม่มีใครทาลายเจ้ง่วงก็มีเยอะแยะทุกวันนี้ก็ยังมีเจ้งมีกวงมีนุกอะรเต็มไปหมดอยู่ที่ปปล่อยของสัตว์เด็สาวคนบวดก็รู้จึงเดินออกมาทางนี้ ตอนเช้าาพอใกลุ้ง่งหนีออกจากบ้านมาเบื่อหน่ายต่อโลกบนบ้าที่นี่วุ่นไว้หนอที่นี่ขัดข้องหนอพระพรุทธเจ้าจงกลมอยู่ลางด้านหน้าประตูป่าอิสิบ ป, ปัตตนะ ใกล้ๆ ก, กับคันทักพุติที่เป็นซากศพซากกติหักปังยังมีอยู่พระเจ้าก็ตะโกนบอกว่าที่นี่ไปวุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาที่นี่ได้มาที่นี่ได้ไดเดี๋ยวสา ก, กุลบุตร ก, ก็มาโอดลองเท่าไว้หน้าวัด หน้าป่านั่นเดินเข้ามาพุยเจ้าได้แสดงธรรมให้ฟังเอานู่นบุญพิกถ า, าทานศีลภาวนาให้ปัญจะไว้ให้ใหอยาสากุลแล้วรบวชฟังยาสากุลบุ้วบวก็เกิดศรัทธาเรื่มใส อล้วอยู่ที่นั่นว่าแม่ตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นลูกชายตามหาตามหามาเห็นรองเท้าถอดอยู่ที่หน้าวัดหน้าป่าอิสิปัตนะดั่นก็เห็นจําได้ว่าเป็นรองเท้าของลูกชายอยู่เองแลตามเข้ามาเห็น ยศศาคุณบุตรบวเชเสียจแล้วถือเขาโอนผมเสียจแล้ววังเทศฟังธรรมร่วมกันกับปัญจวัคคีย์อยู่ก็ของแม่ของพ่อของยศศาคุณบุตรวอมลุวยบริวารก็มาฟังเกิดศรัทธาเลื่อมสก็นิมนต์ พระจ้าปันจัวิคีและสาวุนบไปในบ้าน <c oughs> ที่บ้านเจตีพระจ้าก็ว่าแสดงทำให้ฝังเกิดสัธาเรื่องใสแสดงเป็นพุทธมามะกะมิวะฉกบาชิกาเกิดขึ้นในคราวนี้จากนั้นต่อายก็ ออกพรรษาแล้วก็แยกกันเดินทางไปเปผยแพร่พระศาสนาให้ไปทางละลูกผู้เจ้า ก, ก็ไปครุงราชคืออาะเจ้าพิมพษาโนู่นจอกพระราศีกลับไปแล้วแถวๆตัดสะู้นั้นอีก ประมาณสามสี่ร้อยก็มองก็เจ้าพิมพ์ศาลก็ศรัทธาสร้างวัดให้เชตวันช่างวันเวลวันตวายวัดป่าเวลวันเป็นวัดแรก ภายในเก้าเดือนมีพระหารเกิดขึ้นหนึ่งันสองรยห้าสิบลูกดูซิการเผยแผ่ศาสนาครั้งแรกประมาณแปดเก้าเดือนจากแต่วันเพ็นเดือน8ถึงวันเพ็นเดือนสามนี่อย่างปรากฏในแสดงโอวาปทปฏิโมกนั้นมีพผรหารมารวมกัน หนึ่งพันสามหนึ่งพันสองรห้าสิบลูกล้วนเป็นพระอาหารทั้งสิ้นเอาพาการปฏิบัติยังไม่อีหนังสือเรียนสักตัวเลยเอาภาษาการธรรมตามพระเจ้าแสดงนี้ไปปฏิบัติได้ทชํา ได้ประกาศโอวาทปดิโลกขึ้นมาวิชาการเผยแร่พุทธศาสนาปฏิจฐานพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่นั่นเป็นครั้งแรกวาสสาลีบวชพระโมกขันธลานะก็ะบวชที่นั่นหลายรูปที่เป็นพระหันดังๆเอตตคะดังๆที่นั่น แดเเดือนนี้เราทำกันจริงจริงศึกษาจริงจริงพวกเราจะทำอย่างไรเป็นพุทธบริจัทเราก็เลยเกิดเป็นพุทธบริจัทมีพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารนะเป็นที่พึ่ง ก็ให้มันถึงถึงกจิตถึงใจด้วยได้รับประโยชน์ด้วยอย่าถือแต่เป็นเพียงสำนูกทัววิธีปฏิบัตินี้ก็ไม่อยู่ตามหลักพระเจ้าได้ตรัสลูในคืนวัน <c oughs> เพืนเดือนหกนั้นพระพุทธเจ้านั่งกู้เขนเข้ารู้สึกตัวอย่าแขานออกรู้สึกตัว นี่สติแลามันคิดถึงพิมพ์าก็กลับมารู้จึกตัวคิดถึงเราหุ่นก็กลับมารู้สึกตัวมันต้องคิดไปผลเคยมีลูกมีเมียคนเคยมีอะไรก็คิดไปทางนั่นมันเคยคินก็กลับมารู้จึกตั ว, ตะคคตวซะก็อยู่ประสาสามฤดูกลนั่งอยู่ต้นโพนั้น ถ้จะเปรียบเทียบกันแล้วก็สู้ภาษาสามฤดูไม่ได้ถ้าเอาเหตุผลพระเจ้าไม่เอาเหตุผลเช่นนั้นเอาเรื่องภาษาจิตที่มันคิดไปนั่นกลับมารู้จักตัวสอนจิตจ้ะภาษาจิตมันคิดได้ทุกอย่างติดอะไรมาเยอะแยะจึงมาสอนให้มันรู้ซะภาษาจิตมันต้องสอนให้รู้ ว่าใช่คำพูดว่าใช่เหตุผลนี่คือวิชากรรมาฐานํำให้เกิดพุทธเจ้าขึ้นมาเราลองมาสอนจิตลองดูโดยมีสติเป็นเจนชีอวัดเวลานี่อยู่นี่มีสติอยู่ในกายเป็นประจำขอให้ขอใช้สิทธิ เอาสติไปจุ่มเมากับกายเอาสติไปจุ ม, จ ม, จมกับจิตใจเอาใจมาจุมกับสติมาต่อกันเข้าให้คุ้นให้เคยโดย ว, วิชากรรมาฐาน <c oughs> ปาวั น, นาคือขยันรู้วิชาภาวนาคือขยันรู้วิชีวิวิชาที่ขหยันรู้ วิธีทําให้เกิดความขยันลูกก็คือกรรมฐานนั่งคู่ฉันเข้าเหย่อนฉันโดดหรือพิกมือขึ้นลู่ทุบมือขึ้นลู่สิบสี่จังหวะทุกจังหวะหวังกันไม่เกินวินาทีชอบไม่เกินนี่ไหวไม่เกินนี่จะได้วินาทีละลูกวินาทีละลูกเข้าไป เพิ่มให้ข้อมูลของจิตก่อนให้ความรู้สึกตัวทุกวินาทีเกิดขึ้นกับกายกับจิตกายกับกจิตมันจะได้รับข้อมูลที่ดีเหมือนคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลที่ดีมันก็ออกมาดีเราให้ข้อมูลชีวิตเราเช่นลอยที่ผ่านมาต้เปลี่ยนให้มันรู้ ได้ว่าปฏิบัติคือเปลี่ยนให้รู้เปลี่ยนให้รู้ทุกเรื่องทุกเราาไม่ต้อง เ, เ, เ อ, า, อง า, yeah. าเหตุเอาผลหรือความคิดแยกแยะถ้าเอาเหตุเอาผลเนี่ยพระเจ้าเรียนมาส7เจ็ดศาสตร์สมัยเป็นเจ้าผ้าชาย yeah. Yeah. เยอะแยะไปหมดเลยพระเจ้าจากักรพรรดิก็จะเป็นอยู่แล้วเอาเหตุผลนันดดย อ่า น, นั้นไม่ได้เอาเหตุผลนั่นเอาภาวะข้มูลที่เป็นความรู้เนี่ยมันใช่ได้จริงๆความรู้จักตัวเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นความรู้จักตัวเปลี่ยนมาเป็นความรู้จักตัวทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดหลายขึ้นหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีเราจะศึกษาจริงๆ มีวิธีทำมีสถานที่มีเพื่อนมีมิตรที่จะศึกษาเลื่นี้กันให้ได้รู้จักทิศทางเห็นกะระแสบ้างได้เคยมีกะระแสบ้างทางกิจวิญญาณหลงที่เราเห็นเป็นความรู้ด้ เออหลงเนี่ก็รู้ได้เออทุกก็รู้ได้เออโกดก็รู้ได้เก็บก็รู้ได้แก่รู้ได้ตายรู้ได้บ้างอย่างนี้นระบบกรสแสแห่งพระนิพพานวงมรู้สึกตัวมันจะเหนือการเกิดเจ็บตายถ้าเจงถ้าเป็นศาสตร์เปนศิลเขา้าเพกเอาไว้ แม่เรามีเวลาเน้อยๆก็อย่าปรหมาดชั่วช่างสะบัดหมูช่วงงูแลบดิ้นตันว่าอย่างนั้นถังข้าวจนมาจะได้ขั่วหาจะได้ใช่ได้ตกกระไดคอยกระโจนก็เราไม่เคยฝึกมีกระเสบ้างก็มืดแปดด้านไปตกตะลุกหมกม้อยได้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธมีของประเซริดขนาดนี้ เอากายเอาใจมาจุมดูไว้จุมดูมมดภาษากายภาษาใจไม่มีสติเป็นเจ้าของเดี๋ยวนี้อะไรเป็นเจ้าของกายอะไรเป็นเจ้าของจิตใจใช่กายใช่ใจมาอย่างไรบางทีใช่กายเลื่อเธอไปหมดเลยใช่ใจเลื้อเธอไปหมดเลยคิดได้ทุกเรื่องสมสอนโสเพณีจิต คิดได้ทุกเรื่องทุกเล่ามันก็เปื้อนได้หมดแล้วเหมือนมีดที่คมๆขวัญแต่ปืนแต่ปืนพนดินพันอะไรก็เสียความเป็นมีดแล้วจิตที่เป็นแต่เดิมบริสุทธิ์นะแต่เดิมบาพัดสอนผ่องจ่อยใช่เลื่อเธอไปก็เปื้อนพอกุนไปด้วยอารมณ์อารมณ์ไปเจ้าของจ่อยไปเสร็จแล้ว เอาข้อมขดเป็นตัวเป็นตนเอาควอมทุกเป็นตัวเป็นตนเอาควอมล็กข้อมจังเป็นตัวเป็นต้นทำตอบข้อมขวธทำตดบความรัอกทำตอบความจังเสียผู้เสียผลมามากแล้วจนมีคุกมีตลางมีตำรวจทหารมีกองทัพเยอประเทศมีก็บดขยุมหอยมันก็ออกมาอยู่เพราะว่ามันใช่ชีวิตไม่ถูกต้อง ทอมดีได้ยอกทองชั่วได้ง่ายก็มีบางชีวิตเวลาเรามาจะปฏิบัติมันจ ะ, สะแสดงออกบางเวลาเราลุกมือคู่เหยื่อก็เหยื่อใจอบคิดไปโน่นก็กลับมาซะนี่สอนมาแล้วขั้งหนึ่งหลงที่หนึ่งรู้ที่หนึ่งหลงร้อยขัง้งรู้ร้อยขัง้งทุกร้อยขัง้งรู้ร้อยขั้งกลับมาลู่กลับมาลู่กลับมาลู่ลลนี่ ความรู้อย่างนี้ไม่ต้องถามใครเป็นศัจธรรมรู้เองปฏิบัติได้เองไม่มีการไม่มีเวลายอมได้หควมรู้จากความหลงได้ความรู้จากความทุกข์ได้ความรู้จากความโกรธได้ความรู้จากทุกอย่างที่มันเกิด้กับกายกับใจนี่ มาลงที่ตรงนี้มาลงที่ตรงนี้หมดเมื่อความรู้มันมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาศีลเป็นสมาธิปัญศีล ส, สมาธิปัญญาก็ช่วยกายช่วยใจให้ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วรักษากายรักษาใจไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ศีลรักษากายรักษาศีลรักษาสมาธิรักษาปัญญารักษารักษากายรักษาใจ <c oughs> <c oughs> เราจึงมีซัพบภายในเดี่ยวอารียซับหนึ่งเยี่งพวกเรา อ, อปปตเป็นผู้นำชมชน รัฐบาลท่องถิ่นก็ยิ่งจําเป็นเรื่องนี้แล้วก็เราก็ชอบเป็นผูน้นําหลงตาก็ชอบเป็นผูน้นํำชอบเป็นครูของคนชอบบอกคนอะไรผิดอะไรถูกรู้นาะสิ่งที่เกิดกับวากับใจอะไรผิดถูกรู้หมดแต่ในโลกไม่ค่อยรู้นะ รูดเพราะตนโลบรูดในกองสังขารนี่ไม่กูแล่ะไม่งูเลยอาการแสดกออกของกายของใจมีปัญญาไม่ได้เอามาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เอากายเอาใจมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่เอากายเอาใจไปสั่งให้เกิดปัญหาเบียดเบียนคนอื่นชิงอื่นวัตถุอื่น รักษากายวจาใจเรียบร้อยชื่อว่าศีลเมื่อเรารักษากายวาจาใจเรียบร้อยก็จุเย็นเป็นฉุกทุกคนทุกคนก็มีกายมีใจต่างคนตามงมิสติดูเลยกายใจของตนเละจะทำอย่างไรจะให้คนเข้าถึงจุดนี้ไม่ใช่คนหมาไม่ใช่รัฐธรรมนูน ก็รู้ได้ความรู้ใช่มหมได้รู้ว่าทุกไม่ดีก็ยังทุกอยู่รู้ว่าโกรธไม่ดีก็ยังโกรธอยู่แต่ปัญญาไม่ใช่รู้อย่างนั้นมันรู้แจ้งไม่ใช่รู้แบบจํามามันเห็นปุกบเห็นที่มาเกิดขึ้นกับตัวเรานี่โดยแก้ไอขอตัวเราเนี่ยจนความคิดที่ไม่ตั้งใจไม่อยากคิดมันก็คิด ถ้าเราไม่เคยฝึกพอเราเคยฝึกแลอว嘛มันก็ได้สอนจิตมันจะทําชัว่วโดยงานก่อนที่เกิดความชั่วต้องคิดคนมาตอนที่มันคิดมันคือมันหลงต้องไปหลงกาใบเข็ดตัวหลงไป็ตัวก่อนใหญ่คู่กับความรู้พอดีพะหลงมันจึงรู้แล้รู้หลงก็ไม่มีเพราะจิงนี่ มีสิ่งนี้ก็ไม่มีทำไมจึงหลงเพราะไม่รู้ทําไมจึงไม่รู้เพราะไม่ฝึกหัดเวื่รู้ไม่ต้องไปไม่ใช่ไปช่องไปจําเอารู้จํามันต้องรู้แจ้งต้องฝึกหัดมีสติภายในกาในจิตใ จ, จทุกคนก็มีกายมีใจมีสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจ ก่อนกายไม่มีเจ้าของจะไม่มีเจ้าของเขาหิ้วไปไหนก็ได้กลนงวันเป็นขวานกลาวันเป็นเปรี้ยวกลงวันก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดตาตามกวคิดเขาไปอยู่ในความคิดคิดอะไรก็เป็นตัวเป็นตนจชากรรมฐานจักหมายแยก มีสติไปเนกายเห็นกายจากว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมันแยกไปแบบนี้ีอย่าให้มีตัวมีตนเกิดขึ้นกายอีกกายในกายเอากายเป็นตัวเป็นตนคือกูร้อนคือกูหนาวคือกูหิวคือกูเจ็บคือกูโกรกคือกูไปเอาอาการนี้เกิดกับใจเป็นตัวเป็นตนอีกกูโกรกแล้วกูได้โกรก ไปไม่ลืมถ้ากูได้โกรธกูไม่ฆ่ามันกูไม่ยอมเตัวมัตวนตนไปในความโกรธทำตามความโกรธกรรมาฐานจะแยกตัวนี้นี่สังขารจักราลกายากาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหนะ่ะมีสตินะนะเห็นมันเหนื่อยเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันเจ็บ เห็นมันปวดเห็นมันเมือ่อยไ่ใช่เป็นผู้ปวดผู้เมือ่อยเมื่อเห็นก็จะเบามันเป็นเจ็บเพราะถูกลูกสอนดอกเดียวไม่ใช่สองดอกก็เจ็บก่ยก็เจ็บจอยทุกจอยไปเองไม่ใช่ไปทุกถึงจอยเห็นมันเจ็บเนี่ยเห็นมันหิวโดยเห็นก่อยจริง อะไรที่เกิดกับกลายเป็นอาการของก่อยรู้แล้วจะได้ช่วยมันสัยญอนภัยที่มันเกิดกับกายขอบคุณก่อยวันหิวก็ขอบคุณควมหิวแต่ไม่หิววันตายไม่ต้องทุกข์เรเห็นจริงๆนะแต่ไม่เห็นก็ทุกข์แล้วหิวก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ไปจอแล้ว ถ้เรามีสติเราจะได้เห็นเห็นก็ไม่ได้เป็นแตมันหิวดีแล้วชื่นจ อ, ยอาอยุเก็ดสิบแปดสิบปียังหิวข้าวโอ้ดีบอกคณมันธรรมชาติปกติไม่ใช่หิวเราเป็นทุกข์ เาทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็มาใช่ตัวใช่ตนอย่าทําตามมันสุข ก, ก็เห็นมันสุขซะสะติทุกขกกก์ก็เห็นมันทุกข์ซะนี่มันคือสุขอย่าหลงไปในความสุขถ้าหลงไปในความสุขก็จะยังมีทุกข์อยู่เพราะมันคู่กันอยู่เราจึงแยกออกมาซาเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ มาเดียวเป็นผู้ทุกเป็นผู้ทุกข์แยกกัมาเหนือโลกเนี่ยมันแยกไดนะ้จะได้ดูจักแค่ไขมันจะเบาบางถ้าเป็นโลกภัยไข้เจ็บก็รักษาง่ายไม่ถึงกับเป็นทุกข์ร้องไห้เสียใจกลัวตายเมื่อเหมือนทุกข์เรากลัวเกิดกลัวตายขึ้นมาก็ห่วงลอยเกิดเป็นตัวเป็นตนอุปทานเกิดขึ้นมา ซ้ำเติมเข้าไปอีกต็อเห็นวันฉุกเหมนวันทุกเนาะแยะของบาชาั้นเนี่ยมันแะดงไว้เห็นอยู่ทมกับมันอย่างนี้จิตที่มันคิดขึ้นมาก็อยากเข้ า, าไปในความคิดคิดไหลยก็เป็นประดับความคิดเดี๋ยวมันหิวไปไหนมาไหนได้ ความคิดเฉยๆแต่มันยิ่งใหญ่มันหิ้วไปได้จึงเห็นจิตทกว่าษจิตถ้านของจิตคือมันคิดมีสติรู้จิตตัวกับมนันเองมันิมิตที่ตั้งไว้นี่มันคิดขึ้นมาก็รู้มันวางที่ก็เข้าประเดนความคิดก็ปล่อยกันเลย ให้มีสติหัดดูกิต ด, ดูกายเช่นก่อนเลยมันเชื่อมแข็งจิงคก็ไปตุกจิตแล้วไปคุ้มจิตเลยมันจะยากจะปวดหัวแต่มาดูกายเช่ก่อนอย่าไปสอนมันถ้ามันชี้กันมาค่อยลู่มันปับกลับมาไวๆไวกับมหาที่ตั้งไวๆไว ความคิดอะเป็นความรู้ไปซะเปลี่ยนมาเป็นความรู้ไปเปลี่ยนมาเป็นความรู้ไปซะแล้ก็จะถูกสอนเหมืนมอนผลิสุดจิตเ้าไอสติไปเองจสติเป็นเจ้าของจะเอามาคิดให้จับความคิดมาคิดตั้งใจคิด อันตั้งใจคิดมันเป็นปัญญาเป็นวิชาอันมาได้ตั้งใจคิดเนี่ยไม่เป็นวิอวิชาคิดมันมีสองอย่างนะตั้งใจคิดกับมาได้ตั้งใจคิดเนี่ยกรรมาฐานจะดูเรื่องนี้อย่างดีที่สุดเลยตั้งใจคิดก็คิดได้ยิ่งเป็นปัญญาแตกฉาน ถ้ามาะตั้งจจคิดมันคิดขึ้นมาเองไหลไปเองเนี่อันนี้เป็นอวิชชาก็าไปอยู่ในความคิดจนเป็นโลกประสาทเวลานอนหาเรื่องมาคิดนอนไม่หลับเพราะความคิดตัวเองนอนไม่หลับเพราะความคิดเป็นทุกข์เพราะความคิดเป็นสุขเพราะความคิดเอาความสุขความทุกข์ไปห้อยไปเขียนไว้กับกิจที่มันคิด <c oughs> ยังมีสติดูมันจ ะ, จะให้เป็นใหญ่แบบป๋าเทียมได้กิดเนี่ยกิดเป็นใหญ่ก็จริงแต่เป็นใหญ่ในทางไหนมีอำนาจจนไปสั่งให้สุขให้ทุกข์หรือไม่ใช่กิดมันประเสริฐวันเหนือสุขเหนือทุกข์คือมันรู้มีปัญญาวิธีเราฝึกก็เป็นอย่างนี้ เมื่อเราเห็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงก็จะรู้จักใช่กายใช้ใจให้เกิดประโยชน์มากมายอยู่ที่กายที่ใจนี้ถ้าไม่รู้จักใช่ก็เพื่อนไปหมดเลยเป็นทุกเป็นทูดเก็บแค่ได้ป่วยเพราะใช่กายใช้ใจผิดเกิดมาจากใช่กายใช้ใจผิดเก็บแค่ได้ป่วยไม่มีสติ เดเลาะสุโขทติดไปเลยหลงไปเลยอ่ามันหลงก็ตอมได้ทุกยอย่างสมัยหนึ่งเคยอบล้มหัติดยาบา้าสมัยใหม่ๆลังเป็นหนุ่มอยู่มีอรูอินบา้างมีรูอินเคยไปอยู่ใน ห้องห้องทุกในห้องคุกห้องขังทันยารักลงไปหวานทันยารักนักโทษติดกินเทตีเทลุ่อินเห็นเล่ามอยาไปขับรถสิบโลอยู่มึงเลย มาซื้อยาบ้าเป็ดเดียวอยู่ที่ชยภูมิขับรถจิบรอบมาซื้อยาเม็ดหนึ่งมันขนาดนั้นวัจะรยาบ้ารถจิบรอบมาทำงานที่เมืองเลยขับรถมาเขาบอกเองเขาเป็นบ้าไปเอามาบวชอยู่ที่นี่ เราเล่าให้ปังว่ขนาดนั้นเคยไปอบรมเฮโรอีนที่ต่อชอดดอกเหลือตำรวจใช้แดนติดเฮโรอีนพี่สิบป่นนายก็ออเข้าไปอยู่ในค่ายเลย เราไปนอนอยู่ในค่ายตำรวจอยู่กองร้อยเอาตำรวจเฮโร อ, อีนมาอบลมลงแดงเลย45นายเลือกมาได้3นายลงแดงมากให้เลือดเขาไหลออก ไปกับหมอสองคนพูดไม่ได้เกากระดานกอดกอดเปิดห้องกองรลอยเข้าไปเลือดเต็มไปหมดเลยโทรเอาหมอมาหมอมาให้เลือดเจาะกระดานให้นอนเปิดกระดานเอาเข้านอนตกเลือดทั้งก้นนะัทวันหนักให้นอน ต้องปองให้เลือดไหลลงไปให้คือเตือดลงไปให้เลือดไหลออกสียเริ่งหยดหนึ่งบกก็หยดหนึ่งลงทั้งคข้นเลยไหลให้ท่อใจก็ไหลลงแดงเป็นแผ่นไปเลยคนก็เหลืองดึงคิดยามโมฟินให้ก็หยุดวกมันหยุดแล้วก็ มีกำลังขึ้นมาหน่อยให้เลือดอีกหยุดยาโมเฟนให้เลือดเด็กไหลอี ก, อกเจ้ามาได้เล ย, ยอุปถามคนที่ตกลงแดงนั่นตำรวจทุนทนี่น่นก็บอกว่าจะสู้ไหมถ้าสู้ก็สู้ถ้าไม่สู้ก็ ก็ากลัวตายไม่อยากตายที่เราก็ตัดทินใจเองเราจะสู้ก็จะ อ, อยู่อย่างนี้รักษาอย่างนี้ขีดให้ขีดมูฟินให้เราก็หยุดไม่ต้องผีดสู้เลยเ <c oughs> ขาก็อบอกว่าไม่สู้ถ้าไม่สู้ก็เขีนยนใบลาออกแลเขาเขีนยนใบลาก็ให้พ่อแม่มาดูลักษณะของเขาลูกชาพ่อแม่ก็ร้องให้ วิาส่งลูกไปเรียนจนนายเป็นนายเป็นได้เป็นตำรวจนี่ก็มีเหมือนกันพอ น, ะนาไปติดอะไรมันก็ติดยิ่งใหญ่ไปเลยแต่ใช่ไหมเป็นเลอะเทอะไปหัวเลยกายใจของคนเนี่ยเราจึงมาเรียนลูกตัวเรานี่ถ้าลูกตัวเองเรารู้จักช่วยคนอื่นที่เราเป็นผู้นำเราก็ยิ่งจะช่วยกัน าจะเป็นผู้นำต้องเป็นผู้น้อยเป็นครูต้องเป็นลูกศิษย์เจ้ากนเราเป็นผู้น้อยไม่เป็นเป็นใหญ่ก็ได้ยากต้องเคยเป็นผู้น้อยทําเป็นผู้น้อยให้เป็นในความเป็นผู้น้อยน่แาจะเป็นผู้ใหญ่มีเมตตาคุณาให้อภัยไม่ถือจะหาเรื่อง เสียสละอดทนอหย่อนพวรผิดชอบชุมชนชีวิตของชุมชนห้อยฉันกับขวัอปตอจะพาให้มีสุขไม่ทุกข์ยังไงยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ใจกว้างมีน้ำใจไม่เหืออแห้งทุกของท่านยิ่งกว่าทุกของเรา เดี๋ยสละก็สอนมันเพียรมีสติต่อใจมันดีมันเกิดความดีขึ้นมาต่อใจไม่ดีเกิดความไม่ดีขึ้นมาได้โอกาสทำความดีไม่รู้จึงใดควรแต่ถามทัพวุลุศึกษาหาความรู้ก่อจะเป็นผู้นำต้อง ต้องศึกษาแต่ก่อนเคยมาอยู่ที่นี่จะไหมสี่สิบปีก่อนใกล้ป่ามาลาเดียอยู่กับชาวบ้านไม่มีหมอไม่มีตำรวจทหารเตืนฆ่ากันตายอาเถือนเยอะแยะเราจึงอยู่ที่นี่ใกล้ป่ามาลาเดียตายกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยไปป่าลบให้เพื่อนฟัง ให้ลูกเสิดฟังจะทำยังไงจึงจะมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องหยุกเรื่องยาดูแลคนเจ็บคนป่วยยาแล้วก็ไม่รู้เราจะให้ไปเรียนรู้ที่จุฬาหลมหมอพระสอนในสุขสั้นพื้นฐานก็อยู่หนึ่งเดือนเรียนรู้เรื่องหยุกเรื่องยามาใช่กับผู้กับคน วิธีประถมพยาอนเบื้องต้นเจ็บศพ บ, บ้างหลัตงต่อสมัยก่อนเคยโลเลือดเจ็บศพแถว น, นี้หลายศพเหมือนกันทุกอย่างที่ทำหน้าที่บางทีก็เด็กน้อยไปตายใครมาเรียนในป่าก็รับผิดชอบจะทำไงจะช่วยเด็กได้ต้องศู์เด็กขึ้นมา ไว้ในวัดยังมีอยู่ทุกควันี้แต่ว่านอกอยากมีเงินร้อยบาทไปซื้อข้าวข้าวเอข้าวในตลาดนี่กันร้อยบาทก็ซื้อข้าวแต่ยี่สิบบาทาเดี๋ยข้ารถไปกลับสี่สิบบาทไปกับยี่สิบา ท, ก, บบาทกับก็ยี่สิบาทซื้อข้าวยี่สิบบาท ก็มาจ้างจ้างคนถามขึ้นเขาอีกก็เงินร้อยบาทที่ข้าวไดยี่สิบบาทก็มาขึ้นเขาอีกก็มาหมดแรงก็มาพักตำมาไม่ไดอีกหนึ่งวันหามเข้าวขึ้นเขาต้องเสียเวลาไปอีกทําไงจะมีข้าวมีเงินสิบบาทที่ข้าได้สิบบาทที่กันก็ต้องส้กงคนขึ้นมา ไอ้ชื่อได้จิบบาทสามบาท4ีบาทไอชีอย่างเป็นผู้นำเนี่ยไงชีดช่วยคนมันดีมันมีความสุขสนุกสนานช่วยธรบรชาติช่วยผู้ช่วยคนเล่นกับมันานั้นเต็มบ้านเต็มเมืองข่ากันตายตเป็นผู้นำชอบเป็นผู้นำประชุมบัน อยากให้พระเป็นยังไงอยากให้วัดเป็นยังไงเพี่มีวัดไม่วา่าอยากให้วัดเป็นงไงเรียกชาวบ้านมาประชุมก็อยากให้มาบอกมาสอนเผื่อทำบุญให้ทานสอนเรื่องอะไรอะไรไม่ดีค่อยให้สอนทําบุญนําทานบุญมาคืออะไรถามกันไปถามกันว่าสอนเรื่องอะไรอะไรไม่ดี เล่นกับบันดันดีไหมไม่ดีกินเหล้าดีไหมไม่ดีจะให้สอนจะให้หยุดให้เล่นการมันหยุดเล่นกัรมันดีไหมดีเต็มบ้านเต็มเมืองก็สัญญาการสอนต่อไปนี่ห้ามเล่นกับบันดนันห้ามไม่กินเหล้าในวัดห่าเข้าเป็นสาหมา ไปขอเงินพอยกไปขอเงินแสีเงินมาชื่อละมันกาดใช่เขาบอกว่าเงินก็มีแต่เงินการพ น, นันไม่ต้องเอาตัวร้เาไม่เอาการพ น, นันก็ไม่มีเงินนะเอาก็เลยพายกกันหน้าเกี่ยวกับมาว่าหลวงพ่อเขอไม่ให้หรอกเขาว่าเงินที่มีก็เป็นเงินการพ น, นันไล่ขอออกจากวัด เล่นการบัรนันในวัดถ้ามีงานมการอาก็บอกว่าไม่ต้องเอาเอาหยุดไม่ต้องแผ่น้ำมันตัวใครตัวมันอย่าจมอย่าจำฉินก็อยู่กันมืดมืดไม่มีต่เกียงใช่มีบ้างนิดๆิดแน่ น, ยนอยู่บ้านก็เห็นมางานวัดมืดมืดไม่มีตะเกียงเจ้าพายุ ใช่แล้วบอกว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่แผ่เงินมาชื่อน้ำมันแต่ว่านก็บอกว่าบางทีก็ชาวบ้านกขาเอาน้ำมันมาให้บางใกล้ๆวัดก็ไม่เอาขึ้นไปจ้ะไม่ต้องใช่หรออยู่กันมืมดๆนี่แหละแล้วว่านมาวัดวันพระวันจีนม า, า, น า, นานำทำบุญําทันไว้มีแสงสว่างก็บอกให้ไปแผ่ว่าก็โยม เพราะเขาบอกว่าเงินการพนันเขาไม่อยากให้มันก็โวยวายกันใหญ่เกิดต่อสู้กันเกิดเห็นดีเห็นชอบเครื่องให้ไปแผงเงินแผงทองเขาจึงให้น้ำมันในเงินชื่อน้ำมันมาจุดแล้วจุกก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาชอบเป็นผู้ น, นําแบบนี้ไม่ใช่ซ้ําเติมกัน วิธีใดที่จะทําให้ชุมชนมีความสุขควสงบร่มเย็นจิดมาหามาคิดใหญ่ดูแลรับผิดชอบถ้าชาวบ้านผิดก็ถือว่าความผิดของเร า, าชาจวบ้านมีทุกข์ก็เป็นความทุกข์ของเราเพราะเราไม่ได้สอนเขาถ้าเราบอกเราสอนเขาเรื่องก็ถือว่าไม่ใช่ความผิดของเรา ได้ข้อมูลจากชุมชนที่เราเอาศัยอะไรผิดอะไรถูกอย่างร่อยดูแหลรับผิดชอบไม่ทอดไม่ทิ้งไม่เพิกเฉยเลยละมีปัญหามีข้อมูลทุกวันก็ว่าได้เก็บข้อมูลไว้อันนั้นไม่ดีอันนี้มันดีอย่างไรไปเห็นอันไหนที่ดีก็นำมามางทีก็พาชาบ้านบาย ไปดูการสะกดไปดูสูนเด็กผู้หญิงเก่งสูนเด็กที่ดีที่ไหนผู้หญิงเก่งอยู่เชิงลัยเราเล่าข่ลือศูนเด็กที่ดีไปดูอ๋อย่างของเขาบ้างแล้วก็มาช่วยบ้านตัวเองหาความรู้ตลอดเวลานอกจากกายจากใจเราแล้วเยอะแยะเลยที่เราจะต้องท้องให้ชุนชน อยู่เย็ยนเป็นชุกเราเป็นโอปอตตอเป็นผู้น้ำเป็ดรัฐบาลท้องถิ่นก็ว่าได้ชีวิตชุมชื้นอาศัยกับโอปอตต่อเรให้สุขใหทุกยอย่างลอยแล้วก็มีอำนาจที่จะเห็นแล้วก็ไปแสดงออกเพื่อสร้างชุมชนของเราให้มันดีชุมชนนี่แหละสำคัญที่สุดเป็นรากฐานประเทศ อมีความสมานจาคีดูประเทศชาติดูประชาชาติประเทศชาติเจริญประชาชนประชาชนประชาชาติก็สมัคคีกันตบประชาชาติประชาชนขาดความชอบคีประชาชาติก็จ็บหายธรรมะนี่เป็น ควบวงจรอเศรษฐกิจสังคมสุขภาพระเบียบวินใยดีไปเองถ้ามีธรรมะรักษากายว่าจาจาเฮียบร่อยก็เป็นและเบียบวินัยนและเบียบวินัยก็เป็นไปอย่างอื่นคุ้มของอย่างอื่นให้มีระเบียบวินัยแผ่นดินแม่น้าอากาศป่าไม้สังคมชุมชนจะดีไปเองถ้ามีธรรมะในใจ ทุกคนมีนับถึงจากตัวเราเรื่องกายเรื่องใจต้องพูงหัดพอสมควรให้มันหมดประโยชน์หมดพิษซะไปได้เกิดประโยชน์จากมือห้านิ้วเจ็บนิ้วสร้างโลกขึ้นมาเอ น, นพระเจ้าเราจะรู้ลำฟังองเดียว อ, อุดคนามความดีทั่วโลกมาถึงพวกเราทุกคนนี้ อย่างประเทศอินเดียถ้ามีพระพุทธเจ้าไป ม, มีใครไปรเหยียบมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นที่นั่นขนาดไหนก็กลอยไปประเทศของเขาจเจริญรุ่งเรืองหัวคนท่องที่อมตะที่สุดไปสังเวชนิสถานไอ้เมืองไทยเป็นเมืองยิ้มสดยอมคือเมืองยิ้มบ้านเราข้ามันดีซะ เดี๋ยวนี่ชุมชนเนี่ยไม่ต้องดีแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วคนจนอยู่ในเมืองคนมั่งมีอยู่ว่านโอกอยู่วนตามพูเขตาตอ้ป่าคนจนเท่านั้นอยู่ในเมืองประเทศที่พัฒนาแล้วจนผู้ไอ่ไม่มีตูวบ้านไม่มีจึงช่วยกันเพราะ ปัตนาเขาหวงจรสังของเศรษฐกิจจิตวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณดีแล้วสังคมก็จะเย็ยนเป็นสุขเศรษฐกิจก็จะดีไม่เป็นนักเดงการพ น, นันไม่เป็นนักแดงสุราไม่เป็นนักเดง้งเที่ยวขลงคืนไม่เกียจข้านแต่ใจมันดีมีระเบียบไว้ไหยขึ้นมาเอง สุขภาพก็จะดีไม่กินเหล้าใบจูบุรีกฎหมายหรือบบกฎหมายก็ดีไม่ทำให้ตักผิดกฎหมายทุกคนสำรวมระวังไม่ทราบาากับใครไม่ตาโกนลาเกิดขึ้นแน่นอนมีธรรมะเนี่ยจึงขวกันรุกหัดเพื่อไป เป็นที่พึ่งคนอื่นแล้วเราไม่หัดเราก็พึ่งไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้มีใจก็พึ่งใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเรายังพึ่งใจไม่ได้คนหนึ่งจะพึ่งเราได้อย่างไรคุณรลายคุมดีอยู่ให้มันมั่นคงไม่หวั่นหวเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ผู้เข้าชิลล์ทั้งทีไม่เจรอนพุน่มฉนได ผู้ฝึกตนนี้แล้วไม่เสเทือนพู้นินทา้าฉันเสรินฉันนั่นก็อยู่เย็นเป็นจุกสงบปล่มเย็นทุกคนวันนี้ก็สมควรเจริลากับพระพร้อมกัน